ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของต้ร่มโพธิบทระมะฝึกทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งตามฝังแล้วจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องธรรมะเรื่องอยู่เป็นสุข ธรรมะที่จะทำให้เรามีความผาสุกธรรมะที่จะทำให้เราอยู่เย็นได้แม้ในสถานการณ์ที่เป็นเช่นเจ็บไข้ได้ปว่วยมีทุกขเวทนาประสบปัญหาต่างๆนั่นนี่เราจะสามารถอยู่เป็นผาสุกได้อย่างไรเริ่มต้นเรามาําจิตให้เป็นสมาธิกันสกก่อนท่านบุฟังด้วยการตั้งสติเอาไวา้ สมาธิจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราตั้งสติเอาไว้สตินั้นเป็นเหมือนกับฐานรองก้นหม้อที่หม้อมันมีก้นเป็นทรงกลมเป็นเหมือนหม้อบ้านเชียงถ้าวางไว้บนพื้นราบสม่ำเสมอมันก็จะกลิ้งขลกขลิกไปตามแรงที่มากระทบได้จิตของเราก็เป็นอย่างนั้น ที่ว่าเวลามีผัษสอะไรเป็นเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตามันจะกลิ้งบนหมุนไปหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้วิธีการที่จะป้องกันไม่ให้จิตของเราไปแส่สายหาเรื่องนั่นก็คือเอาฐานมารองกลหม่อไว้สตินั่นเองท่านฟังสติคือการประตุกได แต่ที่ใช่จิตเรามันเปลอเคลิมไปตามเสียงตามภาพให้มาระลึกถึงลมหายใจในที่นี้หายใจเข้าหายใจออกทำลมหายใจให้เป็นอย่างธรรมชาติโฟกัสจดจอ่อใส่ใจตรึ ก, ร ก, รกมาอยู่ณนะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไม่ต้องตามลม ให้เข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือออกมาภายนอกจนถึงปลายจมูกถึงด้านนอกแต่บริวณทางเข้าออกของลมคือในช่องโปรงจมูกนี้ให้จดจ่ออยู่บรื่อณนี้เท่านั้นกเรี่อเป็นบากทางเป็นมุกเป็นหน้ามุกเป็นทางเข้าทางออกที่ยื่นออกมาของลมนั่นก็คือจมูก ในช่องโรงจมูกนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่หลีดอ่อนอยู่บริเวณหนึ่งซึ่งจุดนั้นก็คือจุดที่เรารับรู้กลิ่นให้เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมบริเวณนั้นไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับทำอย่างสบายๆไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังก็หมดคิ้วแต่ปลายคิ้วคอหลังไหลจนถึงเท้า ยังสบายสบายหายใจออกก่อนสบายสบายหายใจเข้าเอาสมาธิเอาความรู้เอาปัญญาเข้าไปหายใจออกเอาความเครียดความเก็บกดความกดดันออกไปหายใจเข้าเอาสิ่งที่เป็นกุศลแธรรมบุญปัญญาแสงสว่างเข้าไปจดจ่อไว้อยู่นาที่ตำแหน่งเดียว ใ น, นอนีตว่าขณะที่เรามาดูลมนั้นเราก็ได้ยินเสียงด้วยเราก็เห็นภาพด้วยและลืมตาและเราก็จะรู้สึกถึงสัมผัสที่ร่างกายด้วยถ้ามีลมมากระทบถ้ามีน้ําหนักที่นั่งลงอยู่บนที่นั่งหรือสัมผัสของสิ่งต่างๆที่มาเราก็จะรับรู้ได้ในขณะที่เรารู้ลมหายใจนี่แหละรวมถึงความคิดด้วยนะ คมคิดนึกเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้มันมีมาแน่นอนแต่ในที่นี้แทนที่เราจะใส่ใจไปในสิ่งนั้นให้เรามาใส่ใจอยู่กับลมอย่าบังคับนะอย่ายไปบังคับความคิดด้วยอย่ายไปบังคับให้ร่างกายต้องเกรงตรงไหนด้วยอย่าไปบังคับลมด้วยลมเร็วลมช้าลมค่อยลมห่างลมที ไม่ตงมรงบังคับให้เป็นธรรมชาติพระเจ้บังคับความคิดเรามันจะปวดหัวให้ทำอย่างเป็นสบายๆเป็นธรรมชาติสังเกตดูความแยกแยะมันจะเกิดขึ้นได้ตรงจุดนี้แหละท่านผู้ฟังสติจะเปลี่ยนจากความฟุง้งซ่านให้เป็นความสงบได้สติจะเปลี่ยนจากความวุ่นวาย ให้เป็นความประ ง, งับได้สติจะเปลี่ยนความเบลอเปินให้เป็นจิตที่มีอารมณ์เดียวได้เราทำให้เป็นธรรมชาติตัวฟังจดจ่อไว้เวลาที่เราตรีตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังในที่นี้เราจิตกรามาจจ่อไว้อยู่กับลม สติก็มีกําลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของอานาปานาสติในที่นี้เราไม่เอาจิตไปตามเสียงตามภาพเสียงภาพนั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงความเผลอเพลิลนไปในสิ่งนั้นก็จะลดลงลดลงจิตของเราก็จะระงับลงระงับลงจนเป็นสมาธิได้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธิมีความสงบนี้เอาไว้ให้ดี สามารถทำได้ทุกอริยบทไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหรือนอนทำจิตให้มีความสงบได้อ้าวละตบฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะ ในรายการธรรมรับปรุณช่วงของใต้ร่มโฏิบด ท, ที่เราใช้ให้ตัวฟังฝึกทาจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังธทรรมที่ทำเช่นนี้เพื่อประโยชน์สองประการทั้งในทางก้าวหน้าทั้งในทางป้องกันก้าวหน้าให้เรามีความเข้าใจในหัวข้อธรรมนั้นได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยจิตที่เป็นสมาธิป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการยึดถือหรือเข้าใจผิดพลาดในหัวข้อธรร ม, มานั้นด้วยจิตที่เป็นสมาธิการฝึกการทำอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ในทุกๆเรื่องตั้งแตฟังไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นการงานการสอบการเดินทางการประชุมถ้าเราทำจิตให้เป็นสมาธิ สักก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มทำกิจนั้นจะได้ประโยชน์สองอย่างอย่างนี้หัวข้อที่จะพูดถึงในช่วงของใต้ร่มโพิบทวันนี้ก็คือเรื่องของทำเรื่องอยู่อย่างผาสุขจะทำอย่างไรให้เรามีความอยู่อย่างผาสุขในทั้งกรณีที่อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น หรือทั้งในกรณีที่อยู่คนเดียวคือพอคนมันอยู่เกินหนึ่งคนนะคือตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยมันเป็นกลุ่มละซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะมีภาษาที่เกิดขึ้นมากกว่าอยู่คนเดียวหรือในกรณีทั่วๆไปเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการที่จะรู้จักอยู่อย่างไรทั้งคนเดียว ทั้งมากกว่าสองคนถึงจะอยู่กันอย่างเป็นผาสุขได้เพราะถ้ากรณีที่อยู่เกินสองคนขึ้นไปเราทำสิ่งที่จะให้อยู่ผาสุขของตัวเราเองแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเขาอยู่ไม่ผาสุขไอ้ความไม่ผาสุขของเขาเนี่ยมันแผ่มาเด็มันที่มันมากระทบเราตัวอย่างเช่นในครอบครัวพี่น้องบางที่อยู่ คนลอห้องู่แล้วนะแต่พอมาเจอกันบนโต๊ะอาหารเติร์นทางบ้างอะไรบ้างเอ๊ะตอลอรอขันแฮเออหรือคู่กรองเอ้ตอนแรกแต่างงานกันดีๆเอ้พออยู่กันไปเอ๊ะตอลอร ก, กันแล้วนะเออทาไมอยู่ไม่ผาสุกเลยอะหรืออยู่คนเดียวบางทีพระเจาประสงค์ไปปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียวเอ้อยู่ตรงนี้มันไม่ผาสุกเลย ก็ย้ายที่อยู่ย้ายไปเรื่อยๆอยู่ไม่เป็นหลักแหลง่งเฮ้ยทั้งๆนี่อยู่คนเดียวนะยังมีผัยสาอะไรต่างๆนั่นนี่เราจึงจะต้องมีธรรมะอะไรที่จะไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขจะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขก็ได้จะเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุขก็ได้เราไาแยกสถานการณ์กันก่อนในสถานการณ์แรกกรณีแรก อยู่เวลที่เราอยู่คนเดียวจะทำอย่อไรให้อยู่อย่างปลาสุกได้ไม่มึนตึงฟุ้งซ่านคิดประสาทนั่นนี่อยู่คนเดียวก็อยู่อย่างป่าสุกได้ในกรณีที่สองสถานการณ์ที่สองคืออยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะต้องอยู่อย่างไรให้ทั้งกลุ่มนี้มีความป่าสุข ในสถานการณ์รกทีว่าคุณเดียวนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อมูลนี้อยู่ในอังกุตระนิกายดูบังมีสองเรื่องด้วยกันใช้หัวข้อว่าพ้าสุกสูตรคือทำเครื่องอยู่เป็นสุข5บประการที่ได้ตรัสไว้ครับเราพิกษุน์ทั้งหลายก็จะเป็นนัยยะเกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนนัยยะที่สองปรารบก็ระเบี อุบาสกอุบาสิกาต่างๆนี่ก็จะเจาะจงมาสำหรับผู้ครองเรือนโดยเฉพาะว่ามีทำเครื่องอยู่เป็นสุขสี่อย่างคนลนัยยะกันทุฝังค้าพเจ้ารวบรวมมาอยู่ในอังคุตรานิกายเหมือนกันในนัยะแรกผาสุกสูตรห้าประการที่จะให้อยู่เป็นสุขสีขส่อย่างแรกนั้นคือฌานสมาธิ ทั้งสี่ขันข้อที่หนึ่งคือชานหนึ่งข้อที่สองคือชานสองฌานสาและข้อที่สี่คือชานสี่และข้อที่ห้าคือทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาบิมุตติที่ประกอบกันแล้วจะให้อสวะมันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็หมายถึงบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์ในในยปหาสุกสูตรนี้ก็จะหมายถึง สมาธิและปัญญานั่นเองสมาธิและปัญญาจะทําให้เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุข5ประการสี่อย่างแรกเป็นสมาธิชา1234แล้วก็ที่สอเป็นปัญญาในการที่จะทําให้เราหลุดพ้นและแน่นอนว่าถ้าตรัสถึงเรื่องสมาธิและปัญญาอย่างนี้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานแน่นอน เพราะว่าศีลตํางหวังจะทำให้เกิดผลคือความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจก็จะเป็นเหตุของการปฏิบัติตามศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิได้ก็ปฏิบัติทางกายทางวาจาคือศีลที่จะทำให้เกิดสมาธินั้นก็เป็นเหตุของสมาธินั่นเองสมาธิจะเกิดได้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิ เป็นเหตุต่ตอกันมาสนับสนุนกันมาการมีศีลสมาธิและปัญญาต่งางจะไม่เป็นเหตุเครื่องอยู่ผาสุขนี่คือกรณีอยู่คนเดียวนะในยัติว่าว่าด้ดยสมาธิและปัญญาส่วนในัติที่สองที่ท่านรารอบกระเร บ, บดีคือบุคคลที่ครองเรือนไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิง ท่านตรัสไว้กับท่านบรส า, ารีบุตรบอกถึงลูกศิษย์ของท่านญาติโยมของท่านว่าพเป็นผู้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งทำกุเรื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตอันยิง่งสี่อย่างทำกุเรื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตอันยิง่งหมายถึง จิตของเราเนี่นะจิตเราธรรมดาธรรมดาที่ว่าจะไปตามเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางต า, ง า, งางมีแนวโน้มที่จะคล้อยเคลื่อนไปตามภาษาต่างๆเหล่านั้นมันมีจิตที่ยิ่งขึ้นไปหมายถึงอยู่เหนือจากภาษาต่างๆเหล่านี้แล้วให้จิตที่อยู่เหนือจากภาษาต่างๆคือจิตอันยิ่งนี้ประกอบด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน สี่อย่างอะไรเป็นธรรมเรื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสีย่ยางในยานีท่านยกถึงโสตาปติยงังกษสีนั่นเองตั้ามาฟังโสตาปฏิยังกษสีคืออะไรคือธรรมะที่จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามและประกอบแล้วยังลงสู่มัตตธรรมได้ไปตามกระแสที่กระแสนี้ จะสุดจบที่นิพพานเหมือนแม่น้ำใหญ่มีกระแสกลางแม่น้ำถ้าเราเกาะกระแสกลางแม่น้ำได้ขยับปรับเรือให้ดีให้ถูกไปตามแนวเราสามารถออกสู่ทะเลได้เลยอย่างแม่น้ำนะครชัยศรีแม่น้ำเจ้าพระยาเียเขาขนส่งทรายสินค้าหรืออุปกรณ์ ต่างๆทางแม่น้ำเ ข, เขาก็เกาะตามกระแสะกลางแม่น้ำไปก็จะไปได้เร็วมีความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดพลังงานการเข้าสู่กระแสะตรงนี้ธรรมะเนี่ยชื่อว่าโสตปะติยงคะสีที่ยามีอะไรตั้งมาฟังหลายท่านก็คุ้นเคยกันแล้วนะก็นามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งสามข้อแรกนั้น คือความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์สามข้อแรกก็คือมีศรัทธานในพุโทโธดัมโมสังโฆ น, นั่นเองส่วนข้อที่สีนั้นคือมีศีลศีลชนิดเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิ สีชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่ป้อยเป็นสีชนิดที่พระเรียเจ้ายินดีสรรเสริญในสี่ข้อ น, นี้รวมเรียกว่าโสซตาปเตียงกสีเป็นองคุณเป็นธรรมะเรื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในที่นี้เราอยากฉวยผิวเผินเข้าใจการมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่า นี่ไงฉันมีพระเครื่องห้อยอยู่ที่ค อ, อฉันมีพระพุทธรูปนี่เพิ่งไปเช่ามาบูชามาเนี่ยองค์ใหญ่เบิ่มเลยอยู่ที่บ้าน น, นินมันกลายมากเลยท่าฟังเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่อิดที่ปูนที่โลหะทองเหลืองต้องลึกไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ไม่ใช่ ประทาตที่เป็นก้อนๆมาไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าเองด้วยซ้ําถ้าเรานั่งทําให้ชีนกลับไปได้ไปอยู่ต่อหน้าท่านมันจะขอจับหลังเท้าอย่างเงี้นั่นก็ยังไม่ใช่พุทธโธ ท, ที่หมายถึงในที่นี้เพราะนั่นมันก็คือแค่เนื้อหนังธาตุสีแต่พุทธโธจริงๆในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยอะไรโยบดิติปิโสนั่นแหละอีติปิโสหมายถึงเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้โสนั้นพระพุทธเจ้านั่นนะ่ะฉันจึงตรัสรู้อะไรบ้างโอสัมมาสัมพุทธานมีวิชามีจรณะเป็นผู้ที่จำแนกแจกธรรมมีความเป็นสัมมาสัมพุทโตนี่ต้องให้ถึงการตรัสรู้ ส่วนระธรรมไม่ใช่ว่าหนังสือซีดีหรือคัมภีร์ที่อยู่ในเล่มในใบลานโอนั่นอย่างไกลใ น, นกระดาษบ้างในแผ่นจาวึกบ้างมันก็เป็นท่าสีไงแต่ว่าหมายถึงองค์ความรู้องค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้อย่างดีแล้วประกาศไว้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ที่ทำการแยกแยะแจกแจงกำหนดบทเ พ, พยียญชนะให้มีความรัดกุมรบอบครอบไม่ลหลาลวมทั้งคำก่อนและคำหลังเข้าลงรับกันมีในยะหลายในยะมีความลึกซึ้งทั้งบทและพยญชนะนี่ประกาศไว้อย่างดีตอนแรกกดจำกันมาต่อมาก็จดจำกันมาต่อมาก็เขียนกันลงมาสืบทอดต่อจนมาถึงพวกเรา ย่าติดอยู่แค่แคนั้นแล้วก็ต้องเอามาศึกษาทำความเข้าใจซึ่งการทำความเข้าใจมันไม่ใช่อยู่ระหว่างหูนะหมายถึงสมองนี่บางคนเอาธรรมะเข้าหูฟังบางคนเอาธรรมะเข้าตาอ่านยัดเข้าทางหูยัดเข้าทางตาบางทีออกทะลุออกอีกหูหนึ่งไงหรือออกทะลุหัวไปเลยข้างหลัง คือมันจำไม่ได้จําไม่ได้ไม่เข้าใจโอ้หม่เอาใหมปิดเอาไว้รักษาอยู่ในระหว่างหูอยู่หลังตาให้มันดีคืออยู่ในสมองถอดจําได้เนี่ยยังไม่ใช่ว่าเข้าใจนะเพราะมางทีเข้าใจผิดถอดจําได้แล้วเลี่ยนไปนั่นก็ไม่ใช่ธรรมะเข้าใจไม่ถูกทะลุหูกลางหนึ่งไป อ, ออกหลังใบแต่พอเรารักษาไว้ดีอยู่ในสมองแล้วนี่ ให้มันลงลึกมาอีกสักประมาณหนึ่งสองให้เข้าถึงให้เข้าสู่จิตใจจึงรวมเียว่าเข้าใจเข้าใจไปในใจนะ่ไม่ใช่แค่จาไว้ได้เฉยแล้วก็เข้าใจไปในใจให้มันถูกด้วยนั่นถึงจะเป็นธรรมะให้มีความเลื่อมใสในธรรมะข้อนี้แบบนี้เรียงที่สามให้มีความเลื่อมใส ไม่วันไหวมั่นใจในพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นไม่ใช่หมายถึงคนที่ขนผมห่มเหลืองเท่านั้นอย่าไปติดอยู่แค่นั้นแต่สงฆ์หมายถึงหมู่กลุ่มคนไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะภิกษุไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะภิกษุหรือภิกษุณีไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาแต่ทั้งหมดเลยใครก็ได้ ยังรวมถึงเทวดาประอินทร์พัพรมบริษัททั้งหประเภทที่ท้าว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงนะคือหมูใช่ไหมผู้ฟังคําสอนเนี่ยเขจึงเรียกสงสาวกมาจากคำว่าสาว ก, กะสังโคเราก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนคําสอนของใครก็ได้ไม่ใช่ต้องคําสอนของพระผู้มีพระภาค ที่ทำกันแจกแจงแยกแยะสอนธรรมะนั้นไว้นั่นแหละก็จึงเรียกว่าพระกวะตโตสาวะกะสังโฆไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วโอเคโอเคใครฟังก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฟังแล้วก็ต้องสามารถปฏิบัติทีปฏิบัติชอบได้ด้วยเขาจึงเรียกว่าสุปฏิปนโนพกวโตสาบักะสังโฆคำว่ า, าสงสงเนี่ ต้องหมายถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สําคัญในเรื่องนี้นั่นก็คือการปฏิบัตินั่นเองสุปฏิปันโนการปฏิบัติไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคลไม่ใช่หมายถึงข้อปฏิบัติแต่หมายถึงการลงมือทาทั้งทางกายวาจาและใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นี่เลื่อมใสอย่างนี้นี่ผู้โตธโมสังคมไปแล้วนะแล้วข้อที่สี่คือศีลในสามข้อแรกนี้ก่อนบูฟังมันเป็นเรื่องสําคัญว่ารัตนตรัยนั่นเองเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่าเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งอย่าเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้นี่มันปนกันมั่วไปหมดแล้ว บางคนจะบูชาราหูอ๋อก็นโมซะก่อนนโมราหูม่นคนละอย่างกันนะราหูก็เป็นเทพอันหนึ่งคือไม่ว่าชะเป็นท้าวเวสสุวรรณท้าวอรุณอมรินเทพเจ้าครูกายแก้วหรือว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนั่นไม่ใช่พระพุทธประธรรมหรือประสงค์นะบางคนก็จะบูชาอะไรก่อนนโมซะก่อน ขอศีลซะก่อนแล้วก็มาบูชาสิ่งอื่นๆต่างๆเนี่ยคือจิตใจมันก็เลยพร่องไปไม่ตั้งอยู่ส่วนเดียวหมายถึงรัตนะของเรามันก็เศร้าหมองแต่ให้ตั้งอยู่กับพุโทธโธธรรมสังโกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาคําว่าไม่เอาไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนก็นะแต่ว่าก็เคารพกันตามฐานะ เหมือนญาติผู้ใหญ่อย่างนี้เออท่านมีอายุมากกว่าท่านมีคุณธรรมมีศรรมีลเราก็เคารพท่านแต่เราไม่ได้จะหวังเอาบุคคล น, นั้นสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากทุกได้จริงนั้นคือพุทโทธธรโมโฉขเวลาเรากลัวตกใจอยู่ในสถานการณ์เรื่องนั้นเรนื่อง น, นี้เราตั้งจิตดิ่งอยู่ต่อพุทโทธธรรมโฉขในธรรมบงัง เหมือนเวลาก็ออกรบนะรบบางทีก็ตกใจกลัวบางทีก็หวั่นไหวเหมือนกันนะก็ต้องมีธงชัยเฉลิมพลเป็นขวัญกำลังใจหวนยหลังใจพระพุทธเจ้าเคยยกเคสของสงครามระหว่างพวกเทวดากับศูนย์ทเทวดาเนี่ยอยู่กัอนอย่าง้าสุกบางทีไม่เคยเลยฝึกการรบ อจะออกรบทีหนึ่งนี่กลัวกลัวกลัวกลัวออกลัวเอะมาไงอ่ะโอ้ก็นี่ละกันมองดูยอดธงของหัวหน้าของเราคือเท้าสกเทวราชเออรถของท่านจะมีธงสูงอยู่มองดูยอดธงนี้เออหัวหน้าเรายังอยู่ให้สบายใจก็จะโล่งใจไปได้แต่ว่านะธงที่มันปลื้มไหวปลิ้มไหวเพราะแรงลมเนี่ยมันยังสั่น มันยังสะเทือนสู้กิเลส ท, ที่อยู่ในจิตใจของคนเราที่มันทาให้บีบคั้นหัวใจทำให้จิตใจเราวันไหวสันสะทานอยู่ข้างในเนี่ยเร็วยิ่งกว่าทงที่พลุไหวอยู่ข้างบนอีกแต่การที่เรามีพุทโทธธรโมโฉเป็นที่พึ่งนี่จะทำให้เรากําจัดกิเลสเรื่องที่จะทำจิตใจใสันวันไหวไปได้ เตพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอย่างเดียวและประการที่สีนั้นคือศีลศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้านั่นก็คืออย่างน้อยศีลหา้าเป็นศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทุรุไม่เหน่อย ไ, ไ, ไม่พร้อยคือบริสุทธิ์หมดจดเป็นอัตโนมัติไม่ต้องฝืนซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานต่อไปถึงสมาธิได้จะทําให้เรายินดีในเสนาสนะอันสังหาร จะทำใเรารู้ประมาณในการบริโภคจะทำใเราสา ม, มามรถสำรวมอินทรีย์มีอินทรีย์สังวรจะทำใเรารู้จักทำมันเป็นเครื่องตื่นนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันจะทำใเรามีความคุ้นชินในการเสพครบธรรมะที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายไม่ว่าจะบทแห่งทำอะไรหรือข้อมูลอะไรหรือกไลนิมิตยอย่างไรที่จะทำใเรา มีจิตเป็นสมาธิได้มีความเป็นสปายะได้สี่อย่างนี้คือโสตาปเทียงกสีท่านเรียกในหัวข้ออีกชื่อหนึ่งว่าทำเรื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันซึ่งทุกคนสามารถทำได้ในทุกสถานาการณ์ด้วยนะไม่ว่าจะกินข้าวอยู่ไม่ว่าจะเดินทางอยู่ไม่ว่าจะคุยใครอยู่ ไปวันจะทำงานอยู่หรือนอนอยู่หรือเดินอยู่หรือบทใดๆทำสิ่งใดอยู่สามารถทำได้แน่นอนโซตาประเดียงกับสี่นี้ซึ่งนัยนี้ก็คือสำหรับฆราวาสทั่วไปั้องจะรักษาจิตให้มีความภาฒนาได้แต่สำหรับนักบวชตามนัยยะแรกที่ได้กล่าวไปนั้นก็คือสมาธิและปัญญาในทั้งสองนัยนี้ทั้งหมด พระพุทธชากล่าวไว้ไม่ได้ปรารบคนอื่นเลยพูดถึงตัวเองทั้งนั้นตัวเราเองหมายถึงอยู่คนเดียวสนั้นการต่อไปที่สองคือกรณีที่อยู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปสองคนแล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มละมันมีคนอื่นละจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกได้ มันมีอุปมายอย่างนี้ว่าอยู่แบบไหนอ่ะเปรียบเทียบคือน้ำผสมกับน้ำมันหรือนมผสมกับน้ำน้ำที่ผสมกับน้ำมันฟังมันไม่เข้ากันนะมันจะแยกกันเป็นชั้นเลยน้ำก็อยู่ส่วนหนึ่งด้านล่างน้ำมันก็อยู่อีกส่วนหนึ่งด้านบนขยาัาขยัยังไงตั้งไว้อีกทีหนึง่ง เดี๋ยวมันก็แยกจากกันแล้วมาแยกจากกันอีกเอาอีกเอ้าตั้งไว้อีกเดี๋ยวมันก็แยกจากกันมันไม่เข้ากันเนี่ยอยู่กันแบบน้ำผสมกับน้ำมันโอมันสักพักหนึ่งเลยมันก็แยกกันหรือจะอยู่แบบน้ำผสมกับน้ำนมน้ำผสมกับนมนี่ก็มันมันก็เจือจางกันไปในตรงนั้นเลย มันไม่แยกกันตอนแรกๆอาจจะเห็นว่ามันแยกกันอยู่แต่พอตั้งต่อไว้ไปเอา้ามันรวมเลยเข้าเป็นหนึ่งไล้ห้เออมันก็เข้ากันนะจะอยู่แบบไหนนี่เป็นอุปมาปเปรียบเทียบเป็นอุปไมยว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยได้เป็นไงถึงจะไม่วิวาดกันไม่ทะเลาะกันไม่มองกันด้วยสายตาของคนที่เกลียดแค้นแต่ให้ มีความ ร, ร้มเรยงกันชื่นชมกันมองแลดูกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาเหมือนน้ำผสมกับน้ำนมทำอย่างไรก็มีตัวอย่างตบฟังของพระภิกษุสามรูปคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละสามรูปนี้อยู่ที่ป่ากโกสิงสารวัน ในวาระหนึ่งตังมโฟังมีในสมัย<อ>นี้หัวข้อธรรมานี้ทำเครื่องอยู่เป็นผาสุขกับท่านพระอนุรุทตท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิะัะดังนี้ว่าอนุรุะนันทิยะและกิมิละเธอทั้งหลายยังสบายดีกันหรื อ, อยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยมินบาหรือ ท่านพระอนุรุทธะจึงตอบบาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยมินดาบพระชข้าก็ผู้เธอทั้งหลายยังพร้อมเปลี่ยนกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังพร้มเปรี่ยงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ประชักข้าก็พุทธดทั้งหลายเป็นผู้พร้มเปลี่ยงกันชื่นชมกันไม่วิวาสกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เิญข้าพระองค์ ม, มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราแล้วหนาเราได้ดีแล้วหนาที่ได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติปรมะมา์เช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรม ในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็จึงเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริง แต่ความคิดนึกดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระชก้าแม้ท่านประนันทิยะแม้ท่านปรากิมีละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างเดียวกันด้วยกับว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราแล้วหนาเราได้ดีแล้วหนาที่ได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติประมาชนเช่นนี้ ข้าพระองค์ตั้งมั่นเมตตากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกดูเหมือนเป็นนันเดียวกัน ขัวกาพระองค์ทั้งหลายยังพร้อมเปลี่ยงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันและกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แหละพระชกค่าท่านได้ตั้งจิตด้วยความเมตตาต่างใจไว้ก่อนในกรณีแรกภาพของเราแล้วเนาะ ที่เราได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรมจันแบบนี้คือดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันดีใจที่มีคนแบบนี้มาอยู่ด้วยแล้วก็ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังก่อนอนดหนึ่งก่อนนะคือมีความยินดีว่าเป็นลาบที่ได้อยู่ด้วยกัน ก็ที่สคือเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจต่อหน้าและรับหลังนะไม่ใช่ว่าต่อหน้าเออเมตตาอยู่ทางวาจาพูดดีนั่นนี่แต่รับหลังเนี่ยโหไปนินทาเขาให้วัววะเลยหรือเวลาทางวาจาเนี่พูดอย่างดีแต่ในทางใจเนี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราก็ต้องปรับจิตปรับใจของเราให้มีความยินดีใน ความที่แบบมีบุคคลนี้มาอยู่ด้วยแล้ก็ไม่ใช่แค่วาจาและใจนะยังรวมถึงการกระทำทางกายด้วยต้องประกอบด้วยเมตตาตัวอย่างเป็นยังไงเธอบอกว่าจะเก็บความคิดของตนแล้วประพฤติทำตามความคิดของบุคคลอื่นนั้นคนอื่ น, นั้นก็มีแนวคิดยังไงอพอเราทราบแล้วเราก็ทำตามนั้น ไม่ทำตามความคิดของตนเก็บความคิดของตนไว้ท่านบอกว่ากายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกเหมือนเป็นอันเดียวกันท่านว่าเข้ากันได้ป่านนี้นะคุณเราในกรณีของพระภิกษุสามรูปนี้ที่อยู่ที่ป่ากโกสิงสารวันทำให้การปฏิบัติกันออกมาเนี่ยจะมีความช่วยเหลือกันเช่น บางทีรูปนี้กลับมาก่อนจากบินดบารเอารูปไหนกลับมาก่อนกว่ามาตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้จะศีนาสนะไว้บางทีมีสิ่งที่ต้องช่วยกันเก็บโต๊ะบ้างยกโต๊ะบ้างเออเห็นใครแล้วกวากมือเรียกโดยที่ไม่ต้องสั่งต้องบอกเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าอันนี้เราต้องช่วยกันก็ไปช่วยโดยไม่ต้องให้มีวาจากระทบกัน พูดกันไม่มากนะตัวฟังแต่ว่าเข้ากันได้ดีความคิดเหมือนเป็นอันเดียวกันดันว่ะแล้วยังมีเวลาที่จะสนทนาธรรมกันตลอดคืนยันรุ่งอ่ะทุกๆแบบ78วันหรือสีห้าวันมีธรรมะขอดในอะไรยังไงศึกษามาอย่างไรเอาก็มาพูดคุยทำความเข้าใจกันแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดคืนยันรุ่ง จึงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำเครื่องอยู่เป็นบาสุกห้าอย่างในกรณีแรกที่พูดไปคือฌานสมาธิสี่ขั้นและปัญญาที่ใช้ตัดกิเลสได้เห็นไหมว่ามันเป็นเหตุต่อเนื่องกันมาสำคัญนะทวกฝั่ถงถ้าเราทำธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขจะเป็นเหตุให้เราเข้าสู่อมตะทราได้ โสภาเปียยงกระสีได้งไงเป็นสุขได้ซึ่งมันก็เริ่มมาจากข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของเรนี่ยมีกรณีของท่านพระอนุรุท ธ, ธะท่านพระกิมิละแล้วก็ท่านพระนันทิยะตอนที่อยู่ที่ป่าโคสิงสารวัล น, นั้นเป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าจะให้มีความรักกุมรอบข้อในหัวข้อธมาทั้งหมดที่ท่านพระอนุรุทธะนิยกขึ้นมานะ มีนัยยะต่อไปที่พูดถึงทาเรื่องอยู่เป็นสุขห้าประการที่ท่านพระนุตุตาบอกว่ามีเมตตาทางกายวาจาใจใช่ไหมแล้วก็ทําตามวาราจิตตามความคิดของคนอื่นแล้วก็ประกอบด้วยความยินดีที่ได้อยู่ด้วยกันมีนัยยะหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นข้อมูลที่ท่านจดบันทึกไว้ในอังคุตรนิกายพูดถึง ทำเครื่องอยู่เป็นสุขห้าประการท่านนี้คือจะครบทุ่นรอบครอบเลยทำเครื่องอยู่เป็นสุขห้าประการมีอะไรคือหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนผู้ปรปติปรมาันคือเพื่อนเราเนี่แหละที่อยู่ด้วยกันนี่แหละตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยหละทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรม และมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาในคนที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนเดินทางท้องถนนทั้งต่อหน้าและรอบหลังด้วยเมตตานะแต่พูดถึงเมตตาแล้วก็ต้องรวมกรุณามุ้ิตาและอุเบกขาด้วยมันเป็นยวงพวงมาด้วยกันทั้งทางกายวาจาและใจ ทั้งต่อหน้าและรับหลังยกมาทั้งกระบี่เลยยกมาทั้งพวงเลยนี่เป็นสามข้อแรกขอ้อที่ีบอกไว้ถึงศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่พระเรียเจ้าสรรเสริญเป็นศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิที่เป็นศีลที่เสมอกันนะ ทั้งต่อหน้าและลับหลังนะข้อที่หมีทิฏฐิอันเป็นอริยะหมายถึงความเห็นที่ประเสริฐก็คือพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสีที่จะนำให้ถึงความพ้นทุกข์สิ้นทุกได้ให้เสมอกันนะเรามีความคิดในแนวนี้เขาก็มีความคิดในแนวนี้เหมือนกันทั้งต่อหน้าและลับหลังนะทั้งหมดนี่ตะบูฟัง จะเห็นคีย์เวิรที่สำคัญอันหนึ่งเลยในธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขห้าประการคือจะมีคำว่าทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งต่อหน้าและรับหลังคือไม่มีความลับกันนะคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆเนี่ยไม่มีความลับซึ่งกันและกันนะจะแบบทำอะไรลึกลับอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีจะเปิดเผยความลับ เขาเรียว่เป็นโอเพ่นซีเกต์เปิดเผยความลับของเราต่อเพื่อนเพื่อนก็เปิดเผยความลับของเขาต่อเราไม่มีความลับซึ่งกันและกันอยู่เป็นผาสูงแน่นอนทูฟังแล้วยังเข้ากันได้ด้วยศีลยังเข้ากันได้ด้วยทิฏฐิเลิกหน้ำซ้ํายังมีเมตตาเป็นตัวหล่อเลี้ยงทั้งกายวาจาและใจแม่หัวข้อธรรมานี้มันมันดีมากมากนะทูฟังลองดูเนี่ยว่า กลุ่มไหนที่เขาเข้ากันดีรักกันดีเนี่ยเขาต้องมีพวกนี้อยู่แน่นอนอย่างอยู่ตัวอย่างเช่นเด็กๆที่เขาเรียนในโรงเรียนเนีขาก็จะมีการหล่อหลอมให้เด็กนั้นรักกันเป็นสถาบันขึ้นมาอ่ะสถาบันนี้ฉันรักสถาบันฉันรักเพื่อนอทำไมเขาถึงหล่อหลอมให้มีความรักกันอยู่กันอย่างเป็นบาสุได้เอาอย่างหนึ่งเขาก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่มันเหมือนกันอะ เฉกนมีสั ญ, ญลักษณ์หรือการกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นส่วนของศีลที่มันเหมือนกันฝึกทากันมาหรือก็มีความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันมันก็จึงเข้ากันได้ประสานกันได้ทีทีความเห็นเข้าไปในแนวเดียวกันก็จึงเข้ากันได้ประสานกันได้เวลาที่เราจะให้เข้ากันกับกลุ่มอะไรกันอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีศีล และทิฐิเนี่ยอย่างน้อยเลยที่สุดสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเสมอกันยกเรี ย, ยงโจรก็ได้โจรเขารวมกันเป็นกลุ่มก้อนนี่ทำไมอ่ะทำไมเขาทำได้เออก็แก๊งโจรไงก็เขาผิดศีลเหมือนกันนะมีแนวคิดที่จะไปปล้นด้วยกันนะมีผลประโยชน์ร่วมกันนะไอ้ที่ว่าทิฐิความเห็นเนี่ยมันคือผลประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันตรงส่วนไหน มันอยู่กันได้แน่นอนเข้ากันได้ดีเลยแล้วคนดีๆก็มีผลประโยชน์อะไรร่วมกันผลประโยชน์เขาก็ไปนในทางดีไงผลประโยชน์ในการที่จะได้ปฏิบัติตามมรรคแปดผลประโยชน์ในการที่จะทำจิตให้สงบเห็นประโยชน์ตรงนี้ร่วมกันทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นมันจึงอยู่ด้วยกันได้ไงเพราะแนวคิดคือทิฏฐิเป็นไปในทางเดียวกันเพราะข้อปฏิบัติ ทางกายทางวาจาคือศีลเป็นไปในแนวทางเดียวกันทําโดยเป็นธรรมชาติทั้งหมายถึงต่อหน้าและทั้งหมายถึงรับหลังด้วยคือไม่เฉาต้องฝืนทาเฉพาะตอนอยู่ต่อหน้าอยู่ด้วยกันแม้แต่พอนรับหลังกันไปโอ้ยฉันไม่อยากทําเลยฉันมีความคิดแบบนี้มันก็จะอยู่กันอย่างไม่ผ่าสูงแน่แต่ถ้าเราเป็นธรรมชาติทั้งต่อหน้าและรับหลัง ต่อหน้าเป็นยังไงรับหลังก็เป็นอย่างนั้นรับหลังเป็นยังไงต่อหน้าก็เป็นอย่างนั้นนี่เอออยู่อย่างปลาสุกแน่เพราะด้วยไ้ความรับหลังรับหลังเนี่ยมันมีสองในยะตั้มบุฟังรับหลังหมายถึงเราไม่มีความลับซึ่งกันและกันและในยะที่สองหมายถึงความที่ตัวเรามันเป็นอย่างนั้นคือเป็นปกติของเราไม่ต้องฝืนทั้งต่อหน้าและรับหลัง และประเด็นที่ท่นเพิ่มเติมไว้ในห้าข้ออังกุตราณิกายนี้คือเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจเมตตาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทางใจนะท่านังเมตตาทางวาจาด้วยนะเมตตาทางกายด้วยนะการกระทำอะไรทางกายก็จะต้องเป็นประกอบด้วยเมตตาวาจาด้วยเมตตาคืออะไรเมตตาคือความปรารถนา ที่ให้เขาอยู่เป็นสุขความปรารถนาให้มีความสาเร็จให้มีความพอใจให้มีความดีเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นจิต ท, ที่ประกอบด้วยเมตตานี่สําคัญคือเราปรารถนาให้เขามีความสุขนะ่ถ้าสมมติเราจะพูดหรือเราจะลงมือทำอะไรทางกายที่ว่าเออทำไปแล้วเอจะให้เขาเป็นสุขโอ้มันออกมาได้หลายอย่างมากมายเลยนะเช่นทุนไป ที่ไหนมาแล้วก็เมีอะไรติดไม้ติดเมือเอเออยากให้เขากินอร่อยอร่อยเนี่ยก็เอาของฝากอะไรอร่อยอร่อยมาให้เขากินโอ้ทำไมคุณึ่งทำอย่างนั้นอ่ะอก็เพราะว่าปราตะไน า, ามีความสุขด้วยการกินสิ่งนี้ที่มันอร่อยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทําเฉพาะต่อหน้านะมันจะกลายเป็นประจบสอบพลองไงมันจะกลายเป็นแบบว่าคิดว่าจะมาเอาประโยชน์ที่าจะมาตีสนิทคิดว่าจะมาทําอะไรหรือเปล่า แต่ว่าถ้าทำทั้งต่อหน้าและรับหลังอ่ะนั่นก็นคือแสดงความบริสุทธิ์ใจไงมีความบริสุทธิ์ใจใจบริสุทธิ์ที่ปรารถนาให้เขามีความสูขมีความบริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจแลว้ววาจาเนี่ยมันก็สาคัญนะต่อหน้านี่พูดดีโอยินดีครับผมนิยมครับท่านดีทุกอย่างแต่รับหลังนี่เป็นยังไง ตรงนี้เราสามารถที่จะดูถึงความสะอาดของจิตใจของบุคคล น, นั้นได้นะทุกฝังความบริสุทธิ์ดูได้ที่การพูดจาว่าถ้าอยู่กันสองต่อสองพูดอย่างหนึ่งอยู่ต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งรับหลังพูดอย่างหนึ่งอยู่กันสามคนพูดอีกอย่างหนึ่งอยู่กันกลุ่มใหญ่พูดอีกอย่างหนึ่งโอ้แสดงว่าบุคคล น, นี้มีวาจาไม่สะอาดแต่ถ้า มีวาจาที่คงที่ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งกับคนเดียวสองคนหรือกลุ่มใหญ่ก็มีวาจาที่คงที่แล้วเราประกอบใส่เมตตาลงไปด้วยนะโอ้กลุ่มก้อนนี้นี่จะอยู่กันเป็นอย่างผาสุขแน่นอนจำบังทีนี้ในนยยะตามอังคุตระในกายเนี้ยที่มีหข้อนี้นะคือเมตตาทางการวจาชัจสามอย่าง ที่มีศีลและก็ทิฏฐิเป็นข้อที่สข้อที่ห้าเน้นสำคัญมาทั้งต่อหน้าและรับหลังเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติปรมาจันมันมีอีกในยะาหนึ่งตัวฝังที่จะมีหัวข้อธรรมะคล้ายๆกันนี้นั่นคือหัวข้อธรรมะที่เรียกว่ า, สา ร, ราสาระเนียธรรมหกประการสาระนยธรรมหมายถึงทำอันเป็นที่ตั้งแห่ง ให้เกิดความระลึกให้เป็นเหตุนึกถึงกันคือห ม, มายความว่าเขาจะนึกถึงเราหรือเราจะนึกถึงเขาด้วยเหตุความดีการกระทํากอย่างต่อไปนี้ซึ่งมันก็จะมีนัยยะห้าอย่างที่ว่าไปแล้วอยู่ในนั้นด้วยก็คือเอาข้อที่หนึ่งสและหมาเลย กองธรรมาหข้อเมื่อสักครู่นี้มาเพิ่มเติมอีกหัวข้อหนึ่งเราไล่กันไปเป่อใย้ครบเป็นสาระนยธรรมหใน3มข้อแรกคือเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาและเมตตาทางใจกับบุคคลนั้นกับกลุ่มนั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังบทที่สองกคือทางวาจา ขอที่สามนั่นก็คือทางใจเหมือนกันเลยในสามขอแรกเราทำอย่างนี้บุคคลนั้นก็จะระลึกถึงเราลองดูสิว่าถ้ามีใครมาพูดดีๆกับเรามีเมตตาทางกายวาจาและใจทั้งต่อหน้าและลับหลังเออเราก็จะอยู่ผาสุขด้วยแล้วเราก็จะคิดถึงระลึกถึงบุคคลนั้นด้วยว่าเขาอยู่เป็นสุขไหมหรืออะไรยังไงดูเวลาพราะเราได้รับประโยชน์ คือประโยชน์จากเมตตาที่เขามีประการที่สทันใจกบ่าสาธารณะโภคีคือแบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบสุดท้ายแม้ว่าสิ่งเล็กๆกน้อยๆยแม้กระทั่งอาหารที่ได้มาจากการบินบาทไม่หวงไว้ผู้เดียวนำมาแบ่งปันคนอื่นในหมู่ในนณะถ้าเราได้รับสิ่งของแม้เล็กน้อยนะทัง่ง จากบุคคลอื่นนะที่เขาเออมีเมตตาต่างกายต่างวาจาต่างใจนะแบ่งปันสิ่งต่างๆแม้น้อยเออเรานี่จะได้ประโยชน์จากการที่มีอยู่ของเขาซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ลองดูเฉยจมติว่าถ้าเราได้ของกำนันเล็กๆน้อยๆก็าตามจากบุคคลอื่นที่เขาแบ่งปันมาให้เนะี่ยด้วยเมตตา ทางกายทางวาจาและทางใจทั้งต่อหน้าและหลังจริงๆนะ เ, ออเราก็จะมีความรู้สึกดีใจได้รับสิ่งของใช่ไหมถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามแล้วก็จะระลึกถึงกันตั้งจิตไว้ให้เข้ากันเสมอกันได้แต่ามาประการที่5และประการที่6นี่ก็จะเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้คือมีศีลที่เสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติปรมาจันร์ ทั้งต่อหน้าและรับหลังขดโยคนั้นมีทิฏฐิที่เสมอกันกับเพื่อนผู้ประวชปรมาจัรทร์ทั้งต่อหน้าและรับหลังหกอย่างนี้จะเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันก็หมายความว่าอยู่กันอย่างเป็นสุขจ่า ก, กันไปแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่ห่างกัน แต่ด้วยข้อปฏิบัติที่เหมือนกันอย่างนี้เหมือนอยู่ใกล้กันเหมือนอยู่ใกล้กันเพราะจิตใจเป็นอันเดียวกันกายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกเหมือนเป็นอันเดียวกันกายอยู่ไกลกันก็จริงแต่อยู่ใกล้กันด้วยธรรมะจึงเป็นนัยที่พระพุรชาบอกไว้ว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติความดีไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยนะต่อให้อยู่ติด ชายสังคติพระพุทธเจ้าเลยก็อยู่ไกลจากกันห่างกันมากๆเลยกายติดกันอยู่ก็จริงแต่ความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกคุณธรรมนี้ห่างกันเป็นโยธห่างกันคนละขั้วห่างกันเหมือนฝั่งทะเลฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มันไม่มีทางจะมาใกล้กันไม่มีทางจะมาติดกันได้คือมันไม่เข้ากันเลยเหมือนน้าผสมกับน้ามันยังไงมันก็ไม่เข้ากัน แต่เราบอกว่ามีธรรมะอยู่ในใจในที่นี้แต่ก็หมายถึงมีเมตตาทั้งกายวาจาใจทั้งต่อนหน้าและลาบหลังมีศีลเสมอการมีที่ถีเสมอกันมีอะไรแบ่งปันกันแม้เล็กๆน้อยๆก็ตามไม่ดูถูกดูแคลนว่าสิ่งนี้มันมีค่าน้อยไม่ดูถูกดูแคลนว่าเอ้ยจะมาให้อะไรแต่ว่ามีจิตระลึกถึงกันอย่างเงี้ยอยู่ห่างจากกันนะ แบบคนละยอดคนละเวลาเลยอย่ะถึงตอนนี้เราอยู่ห่างจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่ระยะทางอินเดียประเทศไทยแต่ยังด้วยระยะเวลาอีกอเป็นหลายพันปีอย่างเงี้ยแม้แต่อยู่ห่างกันไปนั้นก็จริงนะแต่จิตใจเนี่ยเป็นอันเดียวกันความคิดนึกเนี่ยเข้ากันลงกันรับกันเหมือนกับนมผสมกับน้า ไม่มีความแตกต่างกันเลยเข้ากันได้อย่างดีอยู่ใกล้กันเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันตัวอย่างมีมากมายทุกฝั่งในกรณีของประชาศาสอร์ที่โศสมีสหายต่างแดนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันบริ ว, วารสหายหรือเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันก็เลสมัยก่อ น, นมันไม่มีเฟซ e ทม์นะไม่มี Skype ไม่มี l ล n e ที่อินเทอร์เนต็ตคุณจะส่งข้อความหรือว่าประชุมออนไลน์เห็นหน้ากันเนี่ยมันไม่มีอย่างดีเขาก็เขียนจดหมายจดหมายส่งกันไปจดหมายส่งกันมาเขาต้องเดินทางไกลอา้าวจะไปที่หนึ่งก็ต้องเตรียมการละ่ะแม้แล้วจะไปที่หนึ่งส่งจดหมายฉบับเดียวเอาของไปด้วยอ่ะมันก็มีการแบ่งปันซึ่งสิ่งของการกระทำตรงนี้เขาจะกระทําได้เขาก็ต้องมีเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจ คนมันไม่เห็นกันมันก็อยู่ใกลกันมันคือรับหลังกันนั่นแหละเอารับหลังเขาก็ยังมีเมตตาเขียนจดหมายไปส่งของไปเห็นต่อหน้าสิ่งนั้นก็ไปด้วยทั้งต่อหน้าและรับหลังอุย้ยมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันคุ้นเคยกันลงกันได้แม้อยู่ไกลกันนะห่างจากกันเป็นโยดแม้ไม่เคยเห็นหน้ากันนะอย่างดีก็เห็นแค่ลายมือซึ่ง บุกษัตริย์นี่เขาก็ไม่ได้เขียนเองด้วยก็าให้คนจะรึกให้เห็นแต่ของด้วยของนี่บางที่ก็ไม่ได้ทําเองจัดเองให้ลูกน้องทําแต่ว่าอยู่เหมือนใกล้กันไงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไงจิตใจเนี่ยเข้ากันได้ความคิดเป็นอันเดียวกันด้วยเหตุเหล่านี้ตบฟังจึงอยากจะให้ทําความเข้าใจเอาไว้ว่าเหล่านี้จะเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุก ทั้งในกรณีที่เราอยู่คนเดียวทั้งในกรณีที่เราอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปธรรมะเหล่านี้ทำฟังแต่เรานำมาใช้เรานำมาปฏิบัติจะทำให้มีความพาสุกแน่นอนแม้แต่ว่าแค่พูดฟังแล้วนึกตามเสรินการณ์เพื่อมันดีแม่ถ้าเราเอามาทำได้มันจะดีก็เริ่มที่ตัวเราก่อน เริ่มในครอบครัวเราก่อนว่าถ้าครอบครัวเราเป็นยังอยู่กันไม่ผาสุขเดี๋ยวด่ากันบ้างเดี๋ยวติเตียนกันบ้างให้ตั้งจิตใหม่ตั้งจิตใหม่ด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งทางกายวาจาและทางใจให้ตรงนี้ก่อ น, เ, นเริ่มเลยเอาแม้แต่ว่าเขาทำไม่ดีนั่นนี่ต้องจิกต้องดา่าต้องกาดต้องติเตียนสิก็นั่นไงแล้วมันมีเมตตาไปละ ถ้าถูกดายอยู่บ่อยๆเราชอบไหมล่ะก็ทําไมชอบแล้วก็จะไปพูดทําไมอะแม้แต่ตัวเราไม่ชอบเมื่อใช้คนอื่นมาชอบเวลาเราทำอย่างนั้นหรอต้องนึกย้อนเทียบกันมานะเออธามมาพระพรุทธเจ้าสอนไม่ดีแล้วตราสไว้ดีแล้วให้เราประพฤติกระทําตามนั้นก็จะเป็นเครื่องอยู่อย่างภาสุกได้ทุกฝังฝากไว้ในสัปดาห์นี้ธรรมาเครื่องอยู่เป็นภาสุก รายการนี้จะโดยมูนิธิปัญญาภาวนามีข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อ ภ, ภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .ORG รายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มบริบทตั้งแต่เวลาตีหถึงหมงเช้า หรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัรรมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆแล้วก็ถ้าในโทรศัพท์มือถือของทุกฟังมีระบบพอดแคสต์ก็สามารถติดตามฟังได้ที่นั่นด้วยเหมือนกันกับพระชาพระมหาไบบูรณ์อภิปุนโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญอน